คือสุขที่เป็นเวทนาหรือสุขที่มีการเสวยอารมณ์มีสองระดับ 1. กามสุขสุขเนื่องด้วยกามสุขเกิดจากกามคุณหรือสุขจากสิ่งเสพทางผัสสะทั้งห้างฌานสุขสุขเนื่องด้วยฌานหรือสุขที่เป็นวิบากแห่งฌานได้แก่สุขเนื่องด้วยประฌานสีขั้นและ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 ที่จัดอย่างนี้ถือตามแนวพุทธพจน์ในราชาสูตรขุททะกนิกายอุทานที่ตรัสถึงความสุขสามอย่างคือกามสุทิพยสุและตันหักขยสุคําว่ากามสุชัดอยู่แล้วส่วนทิพยสุหรือทิวิยะสุปรมัตตทีปนีซึ่งเป็นัำพีอัตถกถาอธิบายว่าหมายถึงชาณสุนั่นเองและเฉพาะชั้นโลกิยชาณสุ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 มนุษ์ปุทุชนและอริยบุคคลทุกชั้นตั้งแต่พระสดาบันถึงพระอาหารหันเฉพาะท่านที่เจริญฌานชั้นนั้นๆได้แล้วรวมทั้งพรมทั้งหมดคือรูปประพมสหและอรูปประม 4. สมี่สนิพพานาสุขผู้เข้าถึงได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระสดาบันจนถึงพระอาหารหัน